พระองค์เจ้าเป็นพระอรหันต์ดับ อุบบ่บาตระกูล กลับไว้ดีแล้ว บรรพสงสาวกของพระผู้ นะโมตัสสะภะโคอะโหนบน้อม นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่ นะโมตัสสะพระองค์นั้นอะระหันโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะรับ พุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อระหว่างแสวง อุตตริยัมปิอุทธังสรณังคัจฉามิแมรรคอันที่ 2 ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอุตตริยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแมรรค อิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่ 2 ข้าพเจ้าจึงประสงค์เป็นที่พึ่งอิติยัมปิพุทธัง ตะติยำปิท Oxflamang สระนังกรรชάาร์ふ и altri. แม่ครั้งที่ 3. ข้า accelerating洲 辰 opinn Berthzaaisi เป็นที่ 1 blendedaden. ตะติยำปิท X olarak九 retrouver dream 3 times gained lors of the century. แม่ครั้งที่ปิติปิ โสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเหตุอย่างนี้อย่างนี้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ ยังไม่มีใครเป็นผู้รู้กว่าสัตถาเทวมนุสสานัง จะเนทําสันสงฆ์บันนี้สวากขาโต จะเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็น เป็นสิ่งที่พอให้มี เอ่นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระ เป็นผู้บรรลุถึงความรู้ธรรม อถปุริสายุคานิผู้แห่งบุรุษ 4 อัตถปุริสะ 8 เอสะก็ควะโตสาวกสังโฆ ควรแก่ของที่เขานํามาถวาย เป็นเนรนาดังนี้ของโลกไม่มีถืออาวุธครบมือ ที่จารครีเมย์พร้อมด้วยกองทัพ อันเตชัสสาภาวตุเอชยมังขลาณีด้วยเดช มีติประด้านน่ากลัวกว่าสัจจากความ คือขันติอันเตชสาภวตุเปชยมังคลาณีด้วยเด็ดแห่ง อันตัวประเสริฐซึ่งกําลังเมามันยิ่งจักราวุธและสายฟ้าเมตตัม คือพระเมตตาตันเตชะสาโพวตุ เมื่ออบริมาโอ้แสนร้ายกาจมีฝี ปันเตเจสาปะวะตุเอชิยมังคละณีด้วย กล่าวร้ายในหมู่ชนทำอาการประหนึ่งว่ามี อันเตชัสสาภาวตุเอชยมังคลาณีด้วยเดช โอไม่รักษาสัจจะชอบยกวาจา ปัญญาขึ้นส่องให้เห็นความจริงตันเตชะสาคะวตตุเอชยมังคลาณีด้วยเจตนาโสจอย่างนั้นไชย เมื่อซึ่งรู้มีริกมากอนันตนาทคาราซึ่งรู้มีฤทธิ์มาก อันเอตัสสาภาวตุเตชยมังคละมิโดย ดุจงูรายจกกับเขาที่นี้ อันเอตทสศาสโวตุเตชยมังคลาณิด้วยเด็ด ผู้ใดกล่าวอยู่ทุกๆวันระลึกรู้อยู่ ถึงถึงความสุขถึงความหลุดพ้น อิตายะสัพพปานินังทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์ เอเตนะสัจจวัชเชนะโยสัจจวาจานิอโฏฏฺฐเปสิยํมงคลํไสมงคลํ เป็นความเจริญแห่งอย่างนี้แก่ชาวพุทธทั้ง<ใช> เสด็จมาที่ประทับอันไม่กลับแปร อคัพปัตโตปโมทติสิมือณยอดสุดย่อมบรรพาลทั่วสุนัข สู่ญาณธรรมมจาริสุเกิดจากการบูชาด้วยดีประพฤติ ซึ่งเรียนสู่ที่เจริญปทักกิลังมโนกรรมัง เมื่อกระทําแล้วย่อมเป็นไปสู่ที่เจริญลภันทัพเทพภักกินี อิสุภังพวงดึงรักษาสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยการธรรม โอวาตุสัพพมังคลังมงคลังทุกข์ฤทธิ์แห่งเทศสัพพะเทวดา อัสโสความสวัสดีความสวัสดิ์จึงเกิดมีแก่ถึงรักษาทุก สังคานุภาเวนะด้วยการที่เกิดในตนภาวะของสังขตัง så to ingen <coughs> på อ่าเจริญธรรมทุก uh, uh, 18 องศาขณะ 26 27 บางคน 26 อ่า วันที่ 26 27 26 องศา 25 องศา 26 27 องศาได้ 29 ธันวาคม 29 ธันวาคม 2557 เย็นเยือกพอได้ยะ 18 องศามันจะไปถึง นะ 4:00 น. 5:00 น. 6:00 น. เนี่ยไปถึง 6:00 น. ธรรมดาธรรมชาติก็จะเป็นอย่างรับอรุณมีธรรมะรับอรุณ อาตมาเองอาตมานี่ขอยืนยันนะว่าอาตมาเองอาตมามีไฟหรือว่ามัน <San> น้าไม่เคยมีไฟอ่อนไฟคุอยู่ๆไม่เห็นอะไรจะสําคัญในความเป็นมนุษย์อะไรจะสําคัญเท่ากับธรรมะอาตมา คุณากรนั่นแหละที่เรารู้กันดีกระท่องกันมาๆสําคัญ ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาสงสารสังคมแม้แต่ผู้บริหารน่ะผู้บริหารก็ตามๆนานาเป็นสําคัญ คุณธรรมคือธรรมะอยู่ในคนอันนี้สําคัญกว่าเพราะฉะนั้น ตั้งตัวผู้บริหารเองนั่นแหละสําคัญยิ่งที่จะต้องมีธรรมะมีคุณธรรมเจริญไม่ พุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นทุกวันนี้นี่เพี้ยนไปไกลมากเพี้ยนไป นะปฏิบัติธรรมก็จะๆนานาดังที่เขาทํากันในวัดในวาบอกว่าปฏิบัติธรรมก็จะไปทําไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้าผิดจากพระอนุสาสนีของเพราะหลักธรรม ของพระพุทธเจ้าคือมรรคองค์ 8 นะคือมรรคองค์ 8 นี่เป็นหัวใจ 8 นี่ก็ 37 นั่นเองไม่ 37 นี่ก็ 37 โลกุตตรธรรม 37 นะใน 31 ข้อ 150 ฮะก็ก็เอ 120 เออ 620 เล่ม 31 ข้อ 620 พระ 46 คือโลกุตระ โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลนะแล้วก็นิพพาน 9 ทีนี้ 37 ที่ 46 ก็คือ 37 ท่าน เล่มนี้ข้อนี้เล่ม 31 ข้อ 620 เนี่ยพระ 8 หรือปฏิบัติ 37 นี้แหละแหละคือจะเรียกย่อๆ7 องององค์ ใน 14 ข้อ 252 ถึง 281 นะอันนี้จําแม่นอาตมาจําจิต พอปฏิบัติอย่างไรมันจะเป็นผลอย่างไร 10 นะ 10 สมบูรณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สุด 1 สัมมา บอกว่าของพระอริยะหรือสัมมาสมาธิอันประเสริฐแปลอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามาจากภาษาบาลีว่า พวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นนี่คือสมาธิของพระพุทธเจ้า ท่านตัดไปยืนยันว่ามีทางนี้ทางเดียวด้วยไม่มี จะไปสงขลาจะไปนั่นไปได้ทั้งทางน้ําทางบกอะไรไปทั้งทางอากาศ ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นนัทธัญโญกํากับเลยนะว่ามันมีทางอื่นนัทธัญโญ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสตินี่คือมรรค 7 องค์นะเป็นฉนัยจิต สรุปชัดเข้าไปอีกสรุปชัดเข้าไปอีกประกอบแล้วด้วยองค์ 7 เหล่าอิเมหิสัตตังเคหิเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอริโยสัมมาสมาธิอัน ไม่ใช่นั่งหลับตาอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นองค์ประกอบในการที่จะปฏิบัติไม นั่นก็เป็นการทําสมาธิจริงๆแล้วอานาปานสติก็ไม่ได้หมายความว่าทําได้ใน อธิบายเฉพาะเรื่องที่นั่งอย่างนั้นก็ดีก็ท่านตัดดูว่านี่แหละจะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ําก็ดีแล้วก็จะนั่งตั้งกายตรงนี้ก็ดีก็ทําได้เออก็ดีนี่แหละที่ท่านบอกว่าออกป่า พระๆต่างลงทิศลงทางกันเยอะท่าน โดยมหาภูตะ 4 ที่เป็นรูป 4 รวมรูป 28 ในรูป 4 แล้วก็รูปอุปาทายรูปเป็น 24 ก็ต้องไปด้วยกันก็ต้องมีรูปทั้งหมดให้เรียนรู้ทั้งหมดเลยเป็นองค์ประกอบเรียกว่ากายเพราะทุก แล้วปฏิบัติสติปัฏฐานหรือ 37 นั่นเองเองต้องเข้าใจอย่างนี้ให้ได้ อ่าตอนนี้จะพอจําบาลีอันนี้หลายอันหลายหลายประเด็นเข้า 1 เดียวก็ได้แต่ถ้าไปตัวตนรอบเขาว่าคนๆเดียวคนผู้หนึ่งคนๆหนึ่งเป็นหลายคน เนร밋 เป็นหลายคนก็ได้น่ะหลายคน ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเค้านะที่อาตมาว่านั่นเดียวในการปฏิบัติธรรมเป็น 3 เซานี่ 3 อย่างนี้อันเดียวกันเอกอปิหุตตวาปะหุตตาโหติแยกเป็น 3 1 แยก 3 3 ก็ 1 3 ก็ 1 อันเดียวกันสังวรสติปัฏฐาน 4 สมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรค 8 ทั้ง 7 ข้อของโพธิปักขิยธรรมเนี่ยก็อันเดียวกันข้อ 230 ใน 16 โอ้โหโพธิลักษณ์นี่ยังกับ ตอนนี้มันกําลังเข้าใครเดี๋ยวก็ลืมเจ้าอาตมาก็ลืมตอนนี้จําได้เพราะว่ากําลังกําลังอยู่อยู่ไปทั้งคิดไปทั้งหนัด มันอาไซเมอร์มาแล้วตอนนี้มันยังไงไม่รู้นะเพราะวิเศษเนี่ยวิเศษ นเข้าใจได้ว่าเออมันเป็น 1 มันมันอันเดียวกันน่ะคือจะขยาย จริงนะอาตมาไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงความ 1 เอกโกปิถึงไปประบุกว่าคนเลย 1 หรือพหุธาปิหรือ เห็นมั้ยเราจะไม่งงเราเข้าใจแล้วเป็นธรรมะเป็นสภาวะธรรมน่ะนี่สุดยอดน่ะเพราะถ้าบอกว่าแต่ไปแปล เหมือนพระ 16 ข้อ 230 นั้นที่บอกกายังองค์ประชุม 4 และอีก 24 เป็น 28 รูปทั้งหมดที่เราจะต้องเรียนรู้รูปทั้ง ทั้งรูปทั้งนามเป็นนามรูปก็อ่านรู้แยกออกวิเคราะห์ออกวิจัยออกได้อ่านละเอียดละออแจกไปจนต้องถึงสัญญาสุดท้าย ลองอ่านเวทนาแจกเวทนาเวทยิตตะแปลว่าอารมณ์ที่เค้าเคลียร์ ทำกิจสมบูรณ์อ่าสัจจญาณกิจจญาณจนกตญาณจนสามารถที่จะปฏิญญาณได้แล้วว่าจบกิจ พระงันตรัสไว้ในพระติปิฎกเล่ม 16 ข้อ 232 330 เนี่ยนะไอ้ท่านระบุไว้ชัดว่าปุถุชนผู้มิได้สดับผู้ ท่านจะคลายกำหนัดในร่างกายที่จริงไปในร่างกายหรือใน ทั้ง 4 นั้นนะอันประชุมทั้งมหาภูตะอีกทั้ง 4 นะในรูป 28 เนี่ยข้อนั้นเพราะเหตุไร ย่อมเห็นย่อมปรากฏย่อมเห็นนะทิสตินี่แปลว่าเห็นก็ได้แปลเลยทิสตินะปุถุชนผู้มิคลายกำหนัดบ้างหลุดเพราะงั้นร่างกายนี่ นามธรรมก็สัมพันธ์กันกับความรู้ความเบื่อก็เกิดจากจิตจิตเรามันอะไรเบื่อนามธรรมนั่น วิญญาณบ้างนะอิปิติจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้ไม่ได้ไม่ได้สดับไม่ ผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่เข้าใจเป็นสมาธิทิร่วมรับๆไม่ได้เข้า ของเราอัตตาอัตตนิยาต่างๆพวกนี้เนี่ยมันคือๆอย่างนี้ๆพระพุทธเจ้าก็ๆละๆเนี่ยไม่มีทาง ฝังมักดองเป็นอาสวะอยู่อย่างนั้นน่ะตลอดกาลนานเออไม่ได้คลายกําหนัดไม่จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาจุดนี้เป็นแจกแจงต่อไปขยายความ ขอตัดตรงนั้นไว้เข้า 7 วันนี้นะเมื่อวานนี้ นะถ้าพูดภาษาบดีบ้างมันดูดีนะดูเท่ดีทุกครั้งดีมันยืนยันพระบดีนี่ยืน กิเลสไม่ได้ไม่รู้จักกายของกิเลสกายก็คือ 230 230 ใน 16 อ่านมาเมื่อกี้เป็น นะแล้วแต่ว่าสถานะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นเป็นวิญญาณกับองค์รวมที่จะต้องรู้ซึ่งท่านพระพุทธเจ้าก็สอนว่าวิญญาณจะรู้ได้โดยการมี สัมผัสกันมีตากระทบรูปมีหูกระทบเสียงมีจมูกกระทบกลิ่นลิ้น กายนี่มีความรู้สึกทันทีทํางานถ้าเป็นรูปนามอ่าอาตมา 5 คําอาตมาหยิบ อันนี้เป็นอุตุนิยามอันนี้เป็นอุตุนิยามยังไม่มียังไฟอันนะเอาอาตมาตอนก็อะไรก็แล้วแต่วัตถุต่างๆดินน้ํา ธาตุชีวะก็ไปเกี่ยวข้องนะมันก็ยังไม่ 2 คํามามาต่อกันก็คือรูป ก็จะรู้ว่ามันไม่อยู่แต่มันแปะๆๆๆอาตมาอธิบายไว้ละเอียดนักมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมัน คือองค์ประชุมของรูปกับนามที่สังขารกันเริ่มเกี่ยวข้องกันแล้วไปแตะ 28 เนี่ยจะต้อง ไม่ใช่ว่ารู้โดยการคิดโดยตรรกะนึกขึ้นมารู้ไม่ใช่นึกขึ้นมารู้ขณะนี้กําลังเกิดสัมผัสแล้วอาการทางใจอาการทางอารมณ์อะไรเกิดอยู่นะแล้วจิตของเราก็ ตัคกะน่ะละことอานะตัคกะนั่นเรียกว่าวิตกะให้ รู้สึกเป็นความคิดเป็นความไม่ใช่ความคิดความเห็นหรือเอ่ออ่าอะไรอีกอัน ตัวต้นกับกรรมพยบาทนี่แหละอ่านมันเป็นนิวรข้อต้นมันเกิดสภาพ เรื่องของนะเป็นเรื่องๆแยก เรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานนี่แหละประมาทนะเพราะคําว่า ร่างแต่หมายถึงมหาภูตรูปไม่มีนามมาทํากัน ยิ่งทําได้เต็มตัวเค้ามันไม่ตกหล่นอ่าทําได้เต็มสติเรียกว่า 28 รวม ก็เป็นรูปประกายไปทั้งหมดเป็นรูปกายไปทั้งหมดแต่ถ้าเน้นกรรมหารนะตัวที่ 4 เน้นกรรมหารนามเค้า การกําหนดข้างในนั้นกําหนดเป็นเป็นการกําหนดหรือกําหนดใหม่เป็นการกําหนดไม่มีรากฐานจากมหาภูตะรูปไม่ไม่มีจากอันนูมีแต่เฉพาะใจในใจอันนี้เป็นสัญญา เกิดความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งปานใดปานใดก็เป็นๆหูจมูก น่ะเป็นชีวิตสามัญที่เห็นจิตเรา 28 ซึ่งไม่ 230 พระติปิฏก 66 ที่พุทธเจ้าท่านตรัสแล้ว ท่านเรียนรู้กันอ่านอ่านตัวนี้นะจํา ปฏารูปานิปสตินะหรือไม่มีเอกโกก็ได้นะอัจจตังอสันอรูปะสัญญีเห็นปสตินี้คลุม ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ก็ตามเป็นอารมณ์ที่รู้สึกข้างใน หรือมหาภูตะที่ต้องเกี่ยวข้องมหาภูตะรูปทั้ง 4 ข้างนอกหน้ารูปและนามที่จะต้องทําๆไม่ใช่อยู่ แตะกันอยู่ก็ไม่ทํางานไม่ใช่ทํางานรู้ทํางานร่วมรูปนามทํางานร่วมกันเป็นรูปกายทํางาน นะเป็นจิตตชรูปเป็นรูปข้างในที่ภูเจ้า ซึ่งพยัญชนะต่างๆพวกนี้ถ้าไม่มีสภาวะรองๆไปกันๆใน <ม. S 1> มันก็ต้องถูกรู้โดยตนเองนี่แหละอ่านจิตอ่านเจตสิกถูกรู้จิตนี่แหละเป็นรูปเจตสิกนี่แหละเป็นรูปจิต 52 จิต 89 พิศดานเป็น 121 52 อะไรพวกเนี้ยอ่าพวกจิตเจตสิกค่อย ที่ 28 เนี่ยไม่ได้ขาดจากจิตจิตมาร่วมอยู่เสมออันไหน น่ะไม่ต้องเกี่ยวความจริงนะถ้าเกี่ยวกับความจริงที่เป็นดินน้ําไฟลมสิ่ง ความรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกอย่างนี้มันก็ต้องเกี่ยว อนุโลมอนุโลมก็แปลว่ายอมเพราะผู้ใดยอมก่อนผู้นั้นด้วยความดื้อ โดยที่เราก็จะเห็นว่าคนยอมเนี่ยแต่ถ้า สัตนาปุติสอนละเอียดละออไม่ให้สร้างถ้าเป็นอุปเปกขาปิติแล้วเป็นภัยให้มันเอาจะมีก็ไม่เป็นแรงเข้าไว้ เสมือนถูกต้องไปหาความเบาขึ้นขึ้นขึ้นก็ได้ถ้าด้วยปริสุทธาปริโยทาตาฝึกเข้าฝึกเข้า เป็นจิตที่แข็งแรงมีทั้งฐานอัปปนาพยัปนาเจตสโอภิณโรปนาแนบแน่น นะตั้งมั่นสูงสุดนั่นเป็นฐานของสถานะของความความมั่น เป็นควบบวกเป็นสแตติกหรือเป็นเอ่อโพเทนเชียลเอนเนอร์จี้นะส่วนอันต้นตักกวิตตักขะสังคปะนั่นน่ะความดํารินะ อะไรเป็นกิเลสออกออกชําระออกเรียกว่าบุญชําระออกเรียกว่าบุญอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อไปผ่าน 3 นี้ไปผ่านดาล จัดการเสร็จแล้วที่ตกวิจารณ์เสร็จฐานสแตติกหรือ potential energy เนี่ย potential เนี่ยหมายความว่ามันอยู่ในสภาพรักษาความ คือลบก็เป็นขบบวกนะอันเป็นขบบวกเป็นสภาพของปุริสัตตะ ก็ฟังดีๆไม่ได้มั่วหรอกนะเป็นไดนามิกนี่เป็นถ้าสแตติกก็เป็นครัวบวกเนี่ยมันก็ และเราก็เรียบเรียงจัดสรรของมันได้เรียกว่าอภิสังขารให้ เป็นสมุติเสร็จแล้วๆอ่าเสวนาภาวนาพระลีกรรมังหรือรักษาอนุรักษณาประทานอ่าทําอีกทําไปเรื่อยๆอ่าเป็นปฏิปัสสัทธิปหานให้มันสงบอย่าง เป็นเองเป็นโดยไม่ต้องนิจจังทุวังเพราะอัปปนาพยัปนาเจตสโอปนิโรปนามันปักมั่นแข็งแรงจบเป็นสมหิตจิตเป็นจิตสมหิตจิตนะความหลุดพ้นก็ฐาวรเป็นวิมุตติฐาวรอ่าตามเจโตปริยญาณ ผู้ใดที่เข้าๆที่อาตมาหยิบต่างๆมาพูดนี่ก็เอาจากสภาวะที่ๆนะที่เรา คำนั้นคำนี้มามันยังไม่ค่อยจะมีพื้นฐานนะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ๆๆนะอาตมาก็ ถึงทุกวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่ม เพียงพอพอนะเท่าที่มันมีแหละไม่ต้องไปตามลําดับที่มันมีจริงนะมีๆนะพอเราเปิด เห็นต่างๆนะๆเห็นความเป็นบุญนิยมจากพวกเราเนี่ยๆบุญนิยมหรืออิสซึมเนี่ยแปลว่า แล้วเราสําเร็จความเป็นบุญแล้วเราจะมีพฤติกรรมของคนบุญคน หรือเกล็ดเดมากก็รวมกันพฤติกรรมของสังคมของสังคมชาวอโศกไปประพฤติปฏิบัติต่อสังคมข้างนอกจะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กตั้งแต่บุคคลนึงประชากรทั้งเป็นปริสันยุตตาต้องรู้ในหมู่ 10 คน 100 คน 1,000 คนอะไรขึ้นมาเป็นบริษัทมโนมยามีจิตเป็นประธานนิจิตมาคน สงเคราะห์โลกจึงมีมีปรากฏการให้ๆของเรากับปฏิบัติของเราไม่ออกไปทางโลก อันที่ 1 2 มีผู้รู้ตามเชื่อ 2 3 มีผู้รู้ 4 ตนเองรู้ 5 มีผู้รู้ตามเชื่อ นี่ก็คือพัฒนาการเอ่อที่จะไปสู่ความสมบูรณ์ของ เมื่อยิ่งเราทําไปเนี่ยเขาจะมีคนค่อยๆรับทราบๆไปเรื่อยๆต่อจากนั้น คนนอกนั่นแหละเค้าได้รับเพิ่มขึ้นทําได้ผลสําเร็จขึ้นสําเร็จขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็เลยทําให้เกิดผู้รู้ตามก็จริงๆนะทํา ทุกวันนี้มีกระจายอยู่ทั่วไปพัฒนาการนี้นะเพราะเมื่อมีผู้รู้ตามเชื่อมั่นตาม ครัวคายก็เคยแหนเนี่ยถ้าครัวคายมันก็จะเป็นระนาบเหมือนพีระมิดหรืออาตมาใช้ภาษาว่า pyramidal web มีมีปลายมียอดแล้วก็มี สอดประสานกันสัมพันธ์กันอยู่อย่างเยอะแยะเดี๋ยวเครือแหอัตมาก็ได้ใช้ๆว่าเครือแหเหมือนรูปแห ก็จะสอนสร้างขึ้นเป็นแบบนี้นี่คือ แต่ปฏิบัติบัตรทําไปตามลำดับของตนเองตามฐานะอ่า 5 ศีล 8 ศีล 10 ไปเรื่อยๆอย่างเข้าใจ เจริญไปได้อย่างได้สัดส่วนแข็งแรงยั่งยืนสุขสําราญนี่มีเป็นวิวัฒนาการความสมบูรณ์ของสังคมที่จะโตไป ใจเย็นๆประมาณนะใจประมาณอากาศขนาดนี้ไปเรื่อยๆนะสังคมได้รู้จักเราได้ เป็นคุณนะเนี่ยความเป็นคุณในบุญนิยมแล้ว จะเห็นได้หรือไม่ได้ก็ภูมิปัญญาโคโวนะเห็นว่าโอ้อันนี้เป็นคุณนะไม่ อาตมาก็ประมาณและก็พอรับสัมผัสรู้จากสังคม อันใช้ทั้งพยัญชนะภาษาเอ่อเรียนรู้นิรุตติภาษาต่างๆเอามาเรียบเรียงร้อยเรียงพูดให้ฟังน่ะก็ได้ฟังกันมาน่ะมันก็เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้ ดีขึ้นนะเก่งขึ้นอาตมาว่าอาตมาอธิบายได้ดีขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะนี่ไม่ได้ชมตัวเองหรอกว่ามันมันก้าวๆนะยุคนี้ นะมีเป็นรูปธรรมที่จะทํางานร่วมกับสังคมเค้า ประมาณแล้วว่าไม่ไหวเราก็ไม่ร่วมนั่นหนึ่ง 2 เรายินดีไปร่วมแต่ว่าเราแรง นะ 3 โอกาสโอกาสมันไม่มีโอ้โหอยากไปร่วมนะแต่โอกาสไม่ได้ 4 ประการนะก็เลยไม่ ปรัชญาทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่เราได้เอามายืนยัน อ่ะเขาถามพวกเราบ้างนะยุคปัจจุบันนี้นี่ ยุคอะไรกาลียุคเหรอก็ก็ได้ยุคนะยุคอริยะเต็ม เป็นยุคแห่งคริยุกใกล้คริยุกยังไม่ยุคคริีทีเดียวหรอกไม่ใช่คริยุกทีเดียวยุคใกล้คริยุกโดย แต่ก่อนนี้นายทุนกับนักธุรกิจนายทุนเนี่ยกับเลยถือว่าผิด เพราะงั้นลักษณะของทุนนิยมทุนเนี่ยกับกําลังเช่นกองทหารกับพวกนายทุนจะไม่ร่วมกันถ้า แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันร่วมกันเห็นเห็นเลยแล้วมันก็มาทําลายกันแต นะส่วนอำนาจที่โดยธรรมอำนาจที่พิเศษนั่นน่ะเป็นอำนาจที่กันตะสีโลภิกขุ ทรงอะไรมหาตมาว่าอาตมานี่ล้ําเลี้ยงน่ะไปยกในจริงอาตมาไม่ได้หลงอาตมามั่นใจว่าอาตมาชัดว่าในคุณ สมก็ที่ควรยกด้วยซ้ําไปอย่างน้อยไปแต่ผู้ที่มองคน แต่มันก็เลยต่างคนๆที่เป็นอํานาจกดขี่ข่มเหงบีฟอร์ซภาษาฝรั่งเข้าใจนี่เป็น นะอํานาจเบียดเบียนบีบบังคับต้องใช้อํานาจที่ท่าน <San> ถ้าไม่ได้เคยไปอะไรเลยท่านทําความจริงทําความดีของพระ ไม่ใช่เรื่องแกล้งไม่ใช่เรื่องช้อนเลาะไม่ใช่เรื่องปะเลาะปะโลมไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่อง อาตมาก็ขอเติมซะหน่อยเถอะวันนี้แถมฉลองปีเก่าจริงไม่อาตมาไม่จะแกล้งพูดไม่จะพูดเล่น พระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณขนาดนี้แต่ขนาดนั้นก็ยังมีคนตาบอดหู บาปมหาสัตว์เป็นละราบละล่วงผู้ที่ท่านมีคุณต่อบาป 10 ประการ 11 ประการอะไรเงี้ยซึ่งเป็น นะบิดาพระอริยะด่าพระพุทธเจ้าด่าผู้เป็นอริยะจริงพระพุทธะในหลวงจะรู้ได้ยังไง ปนตอน 5 10 ประการนะจะไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุจะเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว ก็หกอาบัติเฒ่ามองจะปกปิดอาบัติจะไม่ เป็นบ้าถึงความฟุ้งซ่านนะถึงความ 9 ก็ 10 เหรอนะที่เป็นผู้หลงไหลกระทํา ได้แน่นอนทุกกติวินิบาตนรกแน่นอนขออธิบายคําว่าตายแล้วไปตก นรกมีความผิดอกุศลหรือมีบาปหรือมีกองกิเลสมากที่มันทํางานกันอยู่จริงๆมัน ที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาทางจิตทางมโนทางวิญญาณแล้วก็ล้างกิเลสที่เป็นตัวการนี่ออกหมดจนกระทั่ง จิตมันก็สลายสําหรับผู้ที่จิตสะอาดจริงแล้วไม่มี ทีนี้ผู้ที่ยังไม่ได้มีจิตสะอาดเนี่ยโดยภาษาวนรกวินิบาตเนี่ย เพราะฉันจึงล้วนๆไม่มีสุระภาโวแล้วไม่ไม 32 ไม่มีเพ 33 อาการ 33 อาการ ผู้ที่หลงสวรรค์ก็อยากได้ดาวดึงส์อยากได้เป็นสถานสุขแต่อยาก ในความจําในความกําหนดคุณของวัตถุธาตุของอุปกรณ์ในการที่จะให้จิตทํางาน กันทานในรูปในทานในอรูปเท่าไหร่ก็ตามมันก็อ่อนพลังงานแรง เพราะฉะนั้นคุณอยากจะขึ้นสวรรค์ดาวดึงส์ 33 เพราะฉะนั้นองค์รวมทั้งๆที่ ยิ่งขาดจากดินของดิน 32 เนี่ยมันมีข้างในทำงานบางข้างนอกไม่ทำๆอาตมาอธิบาย อัตตาห์ที่อธิบายอยู่เนี่ยแต่เป็นนามธรรมไม่ใช่เรื่องของวัตถุธรรม ต้านไม่ให้จิตพวกที่มันเป็นอดีตที่สั่งสมเป็นอกุศลจิต ติดยาเสพติดเนี่ยพอเวลามันเซี้ยนขึ้นมาเต็มหมดบ้าๆบอๆหมดน่ะชั้นใดชั้น เพราะการตกนรกเป็นๆนี่นะได้เป็นเป็นคุณทุกข์ๆเหลือแต่ 10 เท่า 100 เท่าที่คุณทุกข์เป็นจริงเป็น ด้วยเจตนาและมั่นใจว่าไม่ได้พูดเพ้อเจอไม่ได้พูดเล่นๆนะฉลองปีใหม่นานๆอันลึกๆอันอะไรต่ออะไรพวกนี้ คนตาบูได้ไม่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างที่กล่าวนี้แล้วๆมันก็เด็กๆอาตมาเห็นเหมือนเด็กๆไม่ เขาไปพูดอะไรหน่อยแล้วทําเป็นแหมด่าเราดีไม่ดีมันเตะเราทีมเราด้วยดีไม่ดีมันเล่นปืนด้วยพวกเนี้ยเล่นๆเออเราไม่กลัวตายหรอกแต่ แล้วก็อยู่ในสัดส่วนที่ไม่ต้องไปไม่ได้ขู่ว่าอย่าไปทําเป็นเล่นสุคตะทุกขตะนัง ให้ใครไม่ได้แบ่งไม่ได้หรอกบาปบุญน่ะไอ้ที่แบ่งบาปแบ่งบุญกันอยู่ทุกวันนี้บาบไปคอไปพูดแรงพูดว่าบาบบอบอ มันเป็นโอปนัยโกเป็นให้ไม่ได้ที่เอามาให้ตนน้อมมาสู่ตนน่ะไม่ เพราะฉะนั้นหารีบอกว่าต้องรับภาระไปๆองค์เดียวด้วยถ้าก็แบ่งให้เอาไปเอาอรหันต์ไปซะ 3 เป็นเครื่องมือทำลายกิเลสบุญเป็นอาวุธบุญญาอาวุธทำลายๆอาตมาว่าแยะสื่อให้ ถ้าใครรู้ตัวแล้วหยุดฉลองปี 2558 หน่อยเถอะเออโอ้โหอย่าไปเนียมไปอายหยุดเถอะนะ ว่าถ้าผู้ใดเข้าใจสัจธรรมพวกๆเข้าใจได้ถูกต้องมันก็จะทําๆ จะโน้มให้คนได้ธรรมะกันไปให้เกิดการศึกษาให้มีธรรมะให้การ ทฤษฎีที่จะสร้างความเฉลียวฉลาดความรู้เอาเปรียบโลกเนื้อมันรวยในโลกิยะลาภยศสรรเสริญจน บอกว่าให้หมู่บ้านจัดหมู่บ้านมีศีล 5 โอ้โหวิเศษวิเสโสจริงๆศึกษาให้ดีว่าศีล 5 ทํายังไงสํารวมยังไงสังวรยังไง แพร่หลายให้ได้ถ้าทําได้แล้วไปรอดไปรอดเพราะฉะนั้นก็ขนาด สนช.สปช. อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ตัวย่อนี่จนกระทั่งมึนแล้วไม่รู้ตัว ก็ขอฝากนะจะทําอย่างไรที่จะออกกฎออกระเบียบ มันเป็นความรู้ฉลาดแกมโกงฉลาดที่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนจะทําอย่างไรให้ล้างกิเลสยินดีในการที่จะลดกิเลสหรือตะงับป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดได้จะออกกฎออกระเบียบออก จะทําได้อ่ะขอฝากอันนี้นะเพราะงั้น ลัทธิคุณงามความดีกุศลนิยมมันยังไม่ถึงขั้นๆแล้ว จนกิเลสดับเห็นความดับนั้นนิโรธานุปัสสีเห็นความจริงที่เป็นนามธรรมนั้นๆเลยมีญาณปัญญาเห็น แต่ทุนนิยมเค้าทำเต็มที่เค้าก็ทำของเค้าไปเค้าก็หาบริวารอ่าหาสมาชิกของเค้าอยู่เต็มที่เค้าไม่ลดหรอกแต่เราก็หาสมาชิกของเราไป เป็นเอกราชชมบูรณ์นะเป็นอินดิเพนเดนซ์ที่เต็มที่พุทธเนี่ยนะพยายามประกาศเอาไปปฏิบัติให้ได้เลยอนุโมทนา นะไม่ล่อลอกไม่ไม่ก็ไม่ประเลาะประโลมอะไรเปิดเผยโอ้โหเอง Oh, โอ้โหฉะเลี้ยวฉลาดเหลือเกินอัศจรรย์เหลือเกินไม่ใช่ใครจะเห็นก็เรื่องของเขาใครจะเข้าใจใครจะรู้ความจริงกับความจริงเห็นเราเป็นสัตว์กระจอกอะไรก็ได้ก็เรื่องของเขาเห็นแล้วเขาจะเห็นว่าเรามีคุณค่าก็เรื่องของเขาเห็นเห็นว่าเราเออดีจริงๆดีสูงดูดีดูดีสูงดูดีมาก แล้วประโลมอะไรนะเพราะว่าคําว่าบุญนิยมกับทุนนิยมนี่มันเป็นคู่บุญ ถ้ายังเหลือเศษกิเลสอยู่มันก็ไปกระทบคนอื่นบ้างอย่างอาตมาพูดนี่มันกระทบคนอื่นเนี่ยมันสุดเลี่ยงจัดปากจัดๆปาก อาตมานำมาถ่ายทอดก็ตามมีปฏิภาณได้บรรยายได้นะทุกวันนี้ทุนนิยมมันแข็งมากแรง ผู้ใดจะเลือกเอาก็เลือกไม่เยียดเราก็ไม่ได้ไปอะไรนักก็เผยแพร่ไปตาม ไม่เคยคลอรู้ข้อเรื่องอะไรก็โปกกระเพกอะไร อ่าโฆษณาความเป็นตัวเป็นตนของตนเองให้คนอื่นอวดอวดตัวอวดตนแล้วก็ทําความจริงเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ไประมัดระวังอะไรมากมายอันบกพร่องอันนั้นบกพร่องอัน นะมันก็ออกไปมันก็ต้องเห็น พันเรื่องสําคัญ 2 จริงๆแล้วคุณลักษณะแท้ๆของมันน่ะมันทวนกระแส 180 องศานะตัวเลยหมดตัวหมดตนตัว สิ้นหมดตัวหมดตนเลยมันเป็นภาษาโวหารตัวเลยหมดตัวๆอ่าแล้วคนที่ยิ่งหมดตัวหมดตนของพระ สุดจริงๆแล้วปฏิบัติธรรมะเช่นนามธรรมอยากได้ว่าอยากได้เรียก ถ้าตัณหาอยากได้ในความที่จะเป็นล้างพบล้างกาม 3 ใน 3 เนี่ยทุกวันนี้ก็เข้า อยากไม่ได้เลยต้องละความอยากเพราะฉะนั้นตั้งสิมันเมามันไปหมดเลยปฏิบัติธรรมดื้อๆถือๆซะๆซุๆ อย่าให้มันคิดอะไรอย่ามันอะไรนี่คือความล้มเหลว 24 ข้อ 54 24 ข้อ 58 มุโนสูตร ในแสงอรุณ 7 ก็ดีอ่าในมูลสูตรนี่สติเป็นใหญ่เฮ้ยไอ้นี่มันข้อไหนแล้วเอาข้อ 1 ดิเนี่ยภาษาบาลีเป็นรชะรตะรติ เป็นฉันทะอยากได้อยากได้ความไม่มีพบได้อะไรอยากได้ความไม่มีพบจะไม่เรียกเป็นตัณหา ต้องรู้จักแดนเกิดต้องรู้จักหทัยรูปเป็นกาโยของจิตวิญญาณอยู่ใน อยู่ในนี้แหละเวลาเกิดนี่เกิดไม่มีที่หรอกเช่นเราเกิด อันเนี่ยดูชัดเจนตรงนั้นสภาวะนั้นซึ่งอธิบายยากมากเลยท่านจึงไปอธิบายกันเป็นที่เป็นทางว่าอยู่ในจิตเอ่อในหัวใจในช่องที่ 4 เอ่อแล้วก็ในช่องที่ 4 นี้มีน้ําสีน้ําเงินด้วยนะ มันออกวาฟาคลางๆเขียวๆเหนียวๆอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอาเถอะจะยึดอย่าง <c oughs> ตั้งแต่สัตว์อบายมาเลยจับตัวให้ได้หาตัวมันให้ได้หาให้เจอมันตัวจริง กำหนดหมายให้รู้เครื่องหมายนั้นดังวินิมิตกำหนดอ้ออาการอย่างนี้เอกอาการโกรธมันเกิดอยู่ขณะนี้เนี่ยสัมผัสแล้วเนี่ยอาการโกรธอาการ ตัวนี้แหละตัวสกายะเป็นชีวิตรูปไอ้ชีวิตรูปนี่ กิเลสมันก็อยู่ในนี้สัมผัสๆนานาสารพัดก็พยายามอ่านสร้างวงประธานปหานประธานให้ได้รู้สติประธานเป็นธม์เสมออ่านอาการใน เป็นคอนเท็กซ์นะเป็นเรียกบริบทเรียกประเฉทรูปในกรอบที่เรากําหนดอย่างศีลเปเรเร 5 เรา ก็ขอไม่ฆ่าสัตว์แต่ขอกินเนื้อสัตว์อยู่อ่าหรือคนที่บอกไม่กินแล้วเนื้อสัตว์ก็เป็นกรอบที่คุณกําหนดบริเฉทของคุณขึ้นมากําหนดบริบทของคุณขึ้นมาบริบทจะ รอบนึงเอาเล็กๆไม่ฆ่าสัตว์นะถ้าจะให้เคร่งขึ้นไปอีกไอ้ไม่ฆ่า จนกระทั่งสามารถอ่านกิเลสละล้างกิเลสได้เกลี้ยงว่างเป็นอากาศธาตุน่ะเพราะ อนันตอาการโสติตรวจอากาศตลอดเวลาที่สัมผัสแล้วถ้าทําได้แล้วรักษาผลจิต จะแวบจะแบบจะเล็กจะน้อยอะไรอ่ะกินจันทร์ก็ตรวจจนเนวะสัญญานานาสัญญาเจตนาก็กําหนดสัญญารู้จะว่าไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้นานาสัญญาสัญญากําหนดรู้ทุกสัญญาเลยตรวจสอบไอ้ที่ไม่รู้เนวะสัญญานา พลอาสวะเรียกว่าดับอาสวะพลอวิชชาสวะล้นความไม่รู้พลอาสวะดับจึงเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธอย่างนี้มีชีวิตอยู่กับวิญญาตรูปปิการรูปลักขณ ยังท่าทางวินยัติเนี่ยโอ้โหท่าทางนัจจะคีตะวาทิตะสุ่มเสียงสำเนียงไม่ ว celebrate bath Ć mandate to labormichita tz filme se antidote it's t umgh has me in the Prae a professor of Classiques that is why sheertUB because Züdoi androhm ratidanz from friend Doi wijens Sandy working and during the D Whole We shall be able to speak for what is here tercerLOhm government therange hasarsonacha concentric the friend คำนึงถึงไม่ให้มันแรงเกินไปแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันยุคจริงอายุนี้ แต่จําเป็นเหลือไม่งั้นมันไม่ไม่กระทุ้งกระแทกกระเทือนมันไม่รู้สึกเรามันหนังดัดจริงๆนะเพราะต้องปรับมุทุตาอนุโลมจิตมุทุตาเรา ตับให้มันได้ประมาณนี้เป็นสุจริตขนาดนี้นะอย่างนี้เป็นทุจริตแล้วสร้างนะอาตมานี่เป็นครีเอทีฟ ได้เพราะเป็นกรรมบัญญัติตามที่เราประมาณมโนมยาจากใจของเราเป็นประธาน widetilde มีชีวิตอยู่ด้วยวิญญาต 2 การคํานึงละหุตามุทุนี้ส่วนลักษณะ 4 นั้นเป็นธรรมดาธรรมชาติทุกอย่างมันเกิดอยู่แล้วเรา ให้เกิดประมาณนี้เกิดประมาณนี้สังกายกรรมขนาดนี้วจีกรรมขนาดนี้โดยจะประมาณโดยจิตเราให้เกิดมาจากจิตผ่านวจี รู้ว่ามันอันนี้ยังสัมพันธ์กันอยู่ยังต่อเนื่องกันอยู่ ไม่มีอะไรเที่ยงหรอกนอกจากนิพพานนิพพานนั่นแหละทําไมเที่ยงๆแม้ 24 อุปปาทายรูปก็ ขึ้นไปสู่ข้างบนเมื่อเรามีปาสาทรูปปสาสะจะปาสาทปสาทรูปมีปสาทรูปและเกิดโคจรรูปขึ้นมามีตาหู เมื่อมีสิ่งเหล่านี้เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้โดยคำนึงถึงสิ่งที่จะออกมาปรากฏเรียกว่า มันเป็นความจริงที่เป็นสมมุติสัจจะที่เราจะต้องคํานึงที่เราต้องระมัดระวังเพราะเราไม่ได้อยู่คนสภาพนะอัตถะ ที่ภาวะกับอัตตะอัตตาของบุริสภาวะบุริสภาวะคือลักษณะที่เป็นความจบคร่อมลงตัวความเป็นหนึ่งเอกกตาเอกบุรุษเป็นตัวจบได้แต่ละรอบแต่ละรอบ มากกว่านี้เราทําไม่ไหวแล้วก็ทําแค่นี้ถ้าเราทําได้มากขึ้นเราก็กําหนดเพิ่มขึ้นเป็นอธิศีลให้จริง ก็จริงๆเห็นนามมาทำพวกนี้ไม่ใช่พูดลอย คือไปตามลําดับตามลําดับบุญที่ได้สูงถึงขั้นสูงสุดก็คือใจใน แก้ไขไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้เลยเพราะเราทํากับปัจจุบันเท่า ก็ไม่ต้องทําบุญไม่ต้องชําระน่ะไม่ต้องทําบุญอีกนิจจังทุวังสัสสตังวิปริณามธมังสัง ไม่ต้องชําระบาปอีกแล้วเป็นผู้หมดบาปหมดบุญนะปฏิบัติสําเร็จคนนี่แหละคนเป็นเป็นนี่แหละคือผู้ไม่ทําบาปๆเป็น สู่สลัดสุประสัมปทาน่ะเพราะว่าเป็นคนทํา เพราะจึงไม่ใช่ได้อะไรได้บุญแบบปรกฏตระนี่จึงไม่ใช่ได้อะไรๆหมดไปจริงๆนะเพราะ แทบกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่จะได้จะได้เอาออกไปหมดในหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรได้การพูดไม่มี เพราะฉะนั้นในพระตปิฎกเล่ม 16 ข้อ 43 เนี่ยที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้า 16 เนี่ยนี่อัด 16 เนี่ยถ้าใครสนใจปฏิสสมบท 43 นี่ ชัดเจนบอกว่าในโลกนี้นี่โดยคือความมีกับความไม่มีโหติกับณโหติ โลกสมุทัยโลกสมุทัยังเพราะบุคคลที่เห็นความกาเยนะเอ่อเรียก อทิตากายนะอทิตาเรียกว่ากายนะอทิตาทําความเกิดหรือทําผลอทิตานี่แปลว่าผลทําผลเกิดผลเพราะฉะนั้นๆในความ ความมีกับความไม่มีนี่มันซับซ้อนลึกซึ้งอยู่มันกลับไปกลับมาอย่างละเอียดลึกซึ้งพร้อมปฏิสมุทัยพอดับเหตุของมันลง โลกิเณนัตถิตาทําให้โลกดับไม่ได้ผลเพราะทําให้โลกมันดับลงเพราะดับสมุทัยของ ทำให้โลกดับไม่ได้ดับสมุทรไทยของโลกไม่ได้คุณก็นะ ความไม่มีในโลกไม่มีผลของการปฏิบัติเนี่ยย่อม ไปสู่ความไม่มีผู้ที่ฟังแล้วได้แสดงว่ามีปฏิภาณปัญญาเพียงพอผู้ที่ฟังแล้วก็ยังมุนๆๆๆยังยิ่งกว่านี้ขึ้นหน่อยว่ามัน เกลียดที่เรามีแล้วก็เคยทํามันดับไปได้นั่นน่ะตรวจดูแล้วจะเข้าใจภาษาที่อาตมาพูด สรุปแล้วเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่อง 2558 เนี่ยชาคลีญากันสติ ต้องคำนึงถึงคุณธรรมของมนุษย์เป็นเอกนะกฎหมายๆก็ต้องกําหนดต้องใช้ศึกษาธรรมะไปเห็นดีเห็นงามในเรื่องคุณธรรมมากขึ้น กลอบน่ะมันเก่งแล้วจริงๆน่ะเก่งกันทุกคนน่ะแต่กลอบเก่งเท่าไหร่ก็สู้กิเลสที่ความฉลาดแกงโกงของคน มันหน้าด้านทําใส่หมดแหละคนไม่ได้เล่ห์คนนี่มนต์คาถาไม่ได้ๆอยู่ทุกวันเนี้ยลอยเฉย ติกนะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเลยอัตมาไม่ได้พูดด้วยโกรธเป็นหม้อโครเป็น <c oughs> ก็แสดงไม่ฟังให้มีรสชาติเป็นธรรมรสนะ ไม่น้อยใจหรอกอาตมาก็ก็พอสมควรใจเต็มเอาล่ะ